มีพุทธภาษิตบทหนึ่งเขียนไว้ว่าผู้ใดก็ตามมีจิตเล่นออกไปมีความติ้งโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดคอยจับผิดผู้อื่นเสมออาสวะย่อมพอกพูนอาสวะย่อมพอกพูนจะเริ่มหงุดหงิดบ่อยขึ้นโทษจะเยอะขึ้น จีินีถ้าสมมติว่าเราเห็นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยความสำคัญบันใหม่ในผู้อื่นที่ผิดหรือถูกเนี่ยก็ใจเรามันไม่สงบมันไม่นิ่งพอทุกก็จะปรากฏกับจิตเราอยู่เรื่อยๆดังนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะมีอยู่บ่อยๆเขบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมยังมีความหุุนหงิด กับเพื่อนนักปฏิบัติทำด้วยกันชีวิตเนียอยู่ห่างไกลจากพระสัตยธรรมธรรมะของสัตว์ปรุษกับธรรมะของคนพานห่างกันฟ้ากับดินว่าห่างกันแล้วธรรมะของคนพานกับบัณฑิตนห่างกันมากกว่า่าานวาคือท่านพยายามที่จะเปรียบเทียบให้เราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันถ้าอยู่กับความสงบมันปกติเข้าสู่สภาวะทำลึลก กับความอยู่กับความคิดอยู่กับความร้อน อ, อกร้อนใจความกวนกระวายความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันห่างกันมากเนะี่ยทางโลกบัณฑิตอาจจะหมายถึงอะไรที่มันตื้นๆ น, นะแต่ทางธรรมเนี่ยหมายถึงคนที่มีสันติบทเป็นที่พึ่งอาศัยมีความสงบสงัดอยู่ภายในที่ยื่นไปถึงอันนั้นอก็นหนึ่งก็ไม่คุกครี ไม่มีความครุกคลีด้วยบุคคลด้วยอารมณ์กมุ ข, ขณ ะ, ะประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอความเพียร น, นี้บางทีปกติทั่วไปก็จะเป็นความเพียรเดินโยก้มสร้างจังหวะอะไรของเราเนี่ยแต่เวลาไปเจอปัญหาเนี่ยเราจะถอยกะสู้ไม่ได้สภาว่าทำลึกๆก็จะไม่ปรากฏเหมือนเราขุดต้นไม้ถ้ามันตื้น มันก็ได้แต่ต้นไม้เล็กๆนะถ้ายอมทวนกระแสหน่อยอดทนหน่อยต่อสู้หน่อยแล้วก็จะถอนต้นไม้ลึกๆได้เราทำพฤติกรรมให้เป็นพระเป็นเอ็นธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาก็เหมือนทำได้แต่ถ้าจะให้ดัดสันดาลลึกๆแก่ไขนรวอเรื่องอะไรประมาณเนี้ยดับกิเลสอนุใสอสาุาวะทั้งหลายนี้ก็ต้อง ถ่าเข้ามาลึกหน่อยนะยอมทุกยอมอดยอมทนอะไประมาณเนะี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้ชีวิตเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ออกมันก็ทุกข์นะไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นคาราวะจะเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นพเพราะอะไรเพราะวเราไปยึดเอาอาการทั้งหลายนี่เกิดขึ้นจริงถ้าเราหลีกสักพักหนึ่งทําน่นทํานี่หน่อย ก็คลายไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ราคะโทสะโมหะนะมันขึ้นอยู่กับการยึดถือนะถ้ายึดถือมากก็เหมือนต้นไม้ที่มันออกรากมานานนะมันเกิดมานานในใจเราเพื่ออยู่กับเรามานานทีนี้ที่แรกไม่ขุดออกไม่กำหนดรู้มีความประมาทปล่อยมันเริ่มคิดเรื่องนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ก็อยู่กับตามภาษาของจิตนะถ้ามันมีอะไรเป็นพื้นฐานเนี่ยอันนั้นก็จะเกิดขึ้นก็จะมากขึ้นถ้าเราลบพื้นฐานของจิตออกซะเห็นว่าความคิดเนี่ยเป็นทุกข์ความปรุงแต่งเป็นทุกข์ความว่วงความเหงาพวกนี้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตรงไหนตรงที่มันไม่เป็นสตินี่แหละไม่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาเนี่ย มันไม่สามารถอยู่กับภาวะปกติความว่างความสงบได้มันทำให้เป็นทุกข์อย่าง น, น้อยก็คือมรรคมันไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์เราแพ้มันถ้าเราสลัดได้ปล่อยได้วางได้เขี่ยไอกไปจะได้จิตมันก็ตื่นตื่นอย่าง น, น้อยก็เป็นฐานฐานที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตในการชำระล้างจิตที่มันอยู่ลึกๆได้ ะถอนด อ, อกมันแล้วถอนพื้นที่ว่างนี่แหละลราทาแปลงเอาไว้สักอย่างนานๆก็มีเมล็ดพืชพันธุ์มันตกลงมาแล้วมันงอกเรามีหน้าที่ถอนด อ, อกก็ถอนด อ, อกถ้าเราขี้เกียจนะมันพรุ่งนี่ยากกว่าเดิมอย่างไปลดต้นไม้มาเ <c oughs> มื่อกี้กลับเนินดันต้นไม้มันไม่ได้ลดมานานเนาะมันก็เหี่ยวแห้งก็ต้องลดนาน นั่นเผื่อว่าเผื่อพื้นที่มันจะชุ่มพรุ่งนี้รถก็ง่ายๆวันต่อไปรถก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าปล่อยว่ามันนานเนี่ยมันจะยากเหมือนกันเนะ่ะชีวิตเราถ้าเราไม่ก็มีการกําหนดรู้นะไม่มีสติทํา ม, มันต่อเนื่องจริงๆแนวเมื่อเราไปแก้ไข น, นิวรณมันแก้ไขยากมันแก้ไขยากสลัดยาก มันปรุงแต่งนานแต่ถ้าทําทุกวันทุกวันเห็นทุกทุกวันเห็นทุกทกวันถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยว de ่า <JAM> ร hmm. ู้สึกมันจะเข้าไปในความทุกข์แล้วนะเนี่ยอืมมันจะเข้าไปในความปรุงแต่งแล้วนะเนี่ยสลัดได้ทุกวันเออมันจะเข้าไปในความหลับแล้วนี่ก็ทําได้อยู่เรื่อยๆด้เรื่อยๆมันก็คล้ายๆเพราะมันไม่มีตัวตนน่ะทุกมันไม่มีตัวตนไม่มีที่ที่จะเกาะอ๋อแตนี้พอถึงจังหวะหนึ่งมันจะฮึบไปข้างหน้าได้ มันก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ยเราสามารถมีสมาธิเดินหน้าไปได้เรื่อยๆเขาเห็นสภาว่าทำอาการอะไรที่ลึกไปกว่านี้ได้แต่ถ้าวันไหนวันไหนพอเราเริ่มใหม่ก็เพราะว่าขาดความเพียรก็จะกลับมาสู้กับนิวรณ์ใหม่แต่ละครั้งแต่ละครั้งแค่ได้สู้กับนิวรณ์พอมันจางหมดจบสักพักเอาใหม่สู้กับนิวรณ์คือไม่มีขาดสักทีอะสู้มันไม่ขาด พรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบน้องรูปแบบการกําหนดดูเราถ้าหากว่าความเพียร น, น้อยเนี่ยมันจะสะสมนะเหมือนหญ้าเหมือนไม้ที่อยู่ในแปลงเนี่ยเอาออกยญ้าสลัดหญ้านะต้องขุดต้องกลนต้องลงทุนทําหลายวันนะต้องเอาหนักถ้าทําน้อยละ น, ยน้อยก็ไม่ได้เพราะแล้วมันมันอยู่ลึกเนีมันอยู่ลึ ก, นะลกต้องทํำเยอะ จนถ้าว่ามันถอดนออกเป็ น, น, นแล้วเนี่ยนั่นบางทีก็ใช้เวลาเยอะบางทีกลเป็นอาการใช้เวลาเยอะกบีบคั้นตัวเองหรือซ้ำไปบางทีนะมันอยู่ที่ความเห็นนี่แหละถ้าเราเฝ้าดูทุกวันว่ามันจะมีเหตุมีผลขึ้นมาเองแ่ะเหตุผลขึ้นมาเองว่า ม, มันทุกข์คืออย่างไงทําไมจึงเรียกว่าทุกข์อาการของทุกข์ปรากฏเกิดดับยังไงเนี่ยมันจะเริ่มเห็นนะถ้าทําทุกวันเอา้ามันมีความเข้าใจเป็นสัมมาทิที่เห็นตรงๆง ดับได้ตรงๆมันก็ผ่องใสใจไม่ต้องลงทุนไม่ต้องกระเสือกกระสนอะไรมากมายไม่ต้องมาหาคำถามว่าทำทำไมทำได้อะไรบระมานีะเพราะดับอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นดังนั้นที่ผ่านมาปฏิบัติธรรมแต่ละคนก็พอจะรู้จกักว่าตัวเองปฏิบัติได้มากน้อยอะไรแค่ไหนเนี่ย มันอยู่ที่เรานั่นแหละว่าทุ่มเทให้กับมันมากน้อยแค่ไหนบางทีมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะได้เวลาเท่าเท่ากันคนนี้ได้เจ็ดวันคนนี้ก็เจ็ดวันคนนี้พักเจ็ดวันคนนี้ทำงานเหมือนเหมือนกันนะ่ะแต่ถามว่าเหตุผลของเรากับไม่มีในเหตุผลของคนอื่นนะไม่คนอื่นไมไ่เอามาเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นทุกข์แล่คนแก่เลยต้องเยอะบางคน ปล่อยวางได้ทั้งมากบางคนปล่อยวางไม่ได้ฟงางทศเหมือนกันจากครูบาอาจารย์คนเดียวกันเวลาเท่ากันแต่มันต่างกันต้องไหนบางทีความเพียรวิทยะอะไรยังไม่พออืทําน้อยทําน้อยบางทีทำน้อยนี่ไม่นหน่ว่าเดินจกกุงผมเส้นจงหวะน้อยแต่าการกำหนดรู้นี่มันน้อยการกําหนดรู้มันน้อยการทําความเพียรมันลึกรู้นี่มันน้อยไป ไม่ไว่าจะอยู่ในอีริปต์ไหนบางทีก็คุยมากชอบพูดชอบคุยชอบไปหาคนโน้นคนนี้นะยังไม่หยุดคุยมันชอบคุยกับพระไปหาพระองนั่นองนี้อย่าคุยอย่านอนกลางวันอันนี้ถ้าไม่นอนก็เอานั่งลาบหรือแบบนะั้นเพียนอันเนี้ยบางทีมันกลายเป็นความล้าหลังนะ เมจีก็คืออยู่มานานนะแต่ลงตุงตาก็รู้ว่าแกงมงายนะงมงายเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อเรื่องบาปกรรมแบบเป็นสัสจะทิฏฐิอนะไรเนะี้่ยเชื่อวิบากกรรมในอดีตอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้นะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอันนนี้ขึ้นมาก็เป็นโรควิบากกรรมแบบ น่าจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ผีปีศาจพวกกรรมแบบนู้นแบบนี้เันนียแก้ไขไม่ได้หรอกอันเนี้ยะถ้ามีความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งคือต้องไปรักษาซะก่อนซะให้สุขภาพมันดีนิด อ, อี่าน้อยคือไม่อยู่ที่เรารักษาใจรักษาใจถ้ารักษามานานเนี่ยจิตมันไม่ตื่นในสักทีอ่ะอยู่กับความงมงายอยู่กับความเชื่อเป็นไปวันวันนึง เันจะพูดขึ้นมาก็อ้าอืวคนอื่นไม่เชื่อแต่ดิฉันเชื่อคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นดิฉันเห็นเลยถ้าเราฟังครูบาอาจารย์พูดมาจนป่านนี้นี่เรายัง ง, งมงายไร้าสาระอยู่เนี่ยโอ้โเต็มทีละหมายว่าเป็นดอกมัวอยู่ใต้คนตมอะคนอื่นเขาตื่นขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เ, เราไม่ตื่นเดินจุกมยิ่งเดินจุกมยิ่งปฏิบัติเราก็ยิ่ ง, งงมงายน่ะก็ไปเรื่อย ประมาเนี่ยเวลาจะสอนจะบอกจะกล่าวเลยแต่แล้วจะมีเหตุผลนั่นที่เป็นความงมงายพวกนี้มันขึ้นมาเนี่ยโอ้ยจมอ่ะเนี่ยยากท่านเาบอกว่าพัฒนาจะให้เป็นสติหน่อยเป็นสมาธิกับเขาหน่อยให้หลุดออกจากสีแล้วประตับประมากความงม ง, งายแบบ น, นี้มันก็ไม่เป็นซะนะท่านมันต้องเพียนวางจริงๆเนะี่ม เพียนวางจริงๆเพี้ยนเลยลึกรู้เพียนต่อสู้กับมันที่จริงแล้วเราทั้งหลายเวลามันน้อยคือฟังเขาพูดเอามันเป็นรูปเป็นนามแค่มันรูปเป็นนามแค่กายกับจิตเฉยๆถ้าเราเพียนจริงๆมันไม่มีอะไรมากอที่มันมีมากเ พ, า เ, พาเพราะว่าเรามีอนาคตเยอะไปเรามีอดีตมากไปมีตรงไหนมีตรงที่เราปล่อยให้มันมีนั่นแหละ เวลาทําความเปลี่ยนมันชอบไปอยู่อดีตมากไปชอบไปอยู่อนาคตมากไปปัจจุบันนี่มันมีน้อยมากการที่รู้ปัจจุบันนั้นภาวะของความมันเหมือนต้นไม้เนี่ยเวลาแสงอาทิตย์ขึ้นนะถ้าทําให้แสงอาทิตย์มันจะเข้ามาส่องสว่างเข้ามาในพื้นที่เราได้แล้วก็ตัดมันออกอ่ะตัดต้นไม้ออกตัดขวากตัดน้ําตัดกิ่งก้านอะไรออกเนี่ย เดีวแสงสว่าง ม, มันเข้ามาเองมันโดยธรรมชาตินะ่ะจิตเราก็เหมือนกันกล้าแหวกไหมแวกอดีตแวกอนาคตวันนะี้เอาอดีตออกเอาอนาคตออกความสว่างมก็ปรากฏขึ้นมาจิตแสงทำก็สั่งเข้ามาเมื่อไรก็ทําอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือว่างๆปัจจุบันมันอยู่เฉยๆไปเนี่ยและ ล, ลึกรู้ถ้าไม่มีความคิดอดีตอนาคตวันจิตมันสว่างเองเดี๋ยา อดีตอนาคตมาปกปิดถากถางงอกถางร่มถางเงาใจเนี่ยมายาทั้งหลายภาษาพระคือให้รู้จักสมมติให้ได้เนี่ยรู้จักสมมติเดินทำความเปลี่ยนบอกว่าอารมณ์ปฏิบัติธรรมมันมีหนึ่งสองสามผู้ลรู้นามรู้หรือยังลูนามรูปนามโรคลูกนามทำรู้ศาสนารู้สมถะต่างจากวิปัสสนาวะเนี่ยรู้ใจรักเห็นสมมุติเนี่ยเห็นไห ถามว่าเรารู้ขั้นตอนไหนปฏิบัติดำเนี่ยจเจริญสติละนิวรณ์ถอนตัณหานิวรณ์มันยังพว้วนเปลี่ยนอยู่เราเป็นธาตุมันอยู่ในประวัติถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สดใสจิตแนวถ้านิวรณ์เยอะนะะเหมือนมันถูกตอกย้ำลงไปเรื่อยๆเหยียบเราย้ำลงจมนวยปเรืๆๆ่อยๆใครจะเห็นก็ตามปฏิบัติเนี่ยใครไม่เห็นก็ตามแต่กิเลสมันเห็นธรรมะเห็น อกิเลสมันเห็นเห็นว่าเราอ่อนแอธรรมะเห็นว่าเราเพียงพล้ําไปแล้วอะไรประมาณนั้นเนะวลาดึงกลับมาสู่ปกติปัญญามันก็เห็นของมันทนะั้นเราไม่เพียรมันก็เหมือนกับว่าในาศาสนาเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับเราอะความเพียรเราน้อยมันไม่เหมาะไม่เหมาะกับการปฏิบัติไม่เหมาะกับการที่จะออกจากทุกข์ ออืศักยภาพเราไม่พอถ้าเราไม่กระตือรือร้นนะปรับตัวเองให้มันได้จถึงเนี่ยทํางานขนาดไหนเนี่ยเขาเรียนขนาดไหนเขาจะได้เงินเดือนเป็นหมื่นเนี่ยนะทํางานขนาดไหนีเขาได้เงินเดือนเป็นแสนปฏิบัติขนาดไหนจึงจะได้สมาธิเนะีมันต้องทำความเพียนนะปฏิบัติขนาดไหนจึงจะได้ปัญญาอขนาดไหนที่แค่นิวรทืนตื่นได้ได้สติ ในความระลึกรู้อะไรประมาณนี้ไม่ง่วงไม่เหงาเนี่ยแค่ไหนแค่นี้พอเหรือไม่พอนะมันต้องมีมากกว่านั้นดังนั้นอาศัยการเอาใจใส่การและแต่ไม่ได้ว่าครูบาไม่ดีนะไม่ได้ว่าไม่ชี้ไม่ดีนะแต่สิ่งที่อยู่ในจิตน่นแะมันอ่อนแอทั้นั้นเพราะไม่ได้มีตัวเราไม่มีตัวคนคนนั้นไม่มีคนนี้ไม่เป็นแต่อาการ ถ้าหากว่าเราเป็นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตนะเอามันออกอืตอตทำไห้มันเข้มแข็งขึ้นมานะไม่ให้มันจมอยู่เหมือนเดิมมันมีสักวันนะเอ้ยฮึดสู้จริงจังหรือวะเนี่ยไม่มันมีเลยอาการเบื่อกันไหนอาการง่วงเหงาหรือว่าความเชื่อแบบกอดูส่วนมากจะเกิดขึ้นกับพวกที่หลับบ่อยๆเหรอเนี่ถ้าหลับบ่อยๆในความง่วงงมงายง่วงกับโ ง, ง่งมงายมันมาด้วยกันน่ะ พวกความเพียนอ่อนนะนะถ้ง่วงเยอะๆกับตัณหาราคะก็เยอะละ่ะถ้าเป็นคนหนุ่มถ้าเป็นคนแก่นะง่วงบ่อยๆเนี่ความงมง่ายจะเยอะอืเวลามันมีพอมีอะพอมีที่เราจะศึกษาแต่อย่าให้มันมีความมุ่งหวังว่าเอ้อเราทำจริงระดับนี้นะปฏิบัติรำมาชีวิเนะียก็ได้เท่านี้ทีนี้อยากให้มันดีกว่านั้นก็พัฒนาใหม่เอาอีกเอาอันหนึ่ง เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทุกครั้งมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆเลยเลยเลยเลยนะมันเรื่อยๆพุทธศาสนาเนี่เรียนเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่ให้เกิดความหลงตัวเองถ้าเราอยู่ปัจจุบันตัวเองก็เห็นตัวเองว่าอยขยันเนาะขยันนะพัฒนานะนี่ ปฏิบัติดีขึ้นนะวิปัญญามันเกิดนไม่ว่าเป็นข่าวาวาระวัจจะโยมก็เหมือนกันนะข่าววาระวัจจะโยมก็อาจจะมีมันมีแหละนะความทุกข์เนี่ยให้ถามว่าแตา่ละปีผ่านไปเนี่ยมันมีก่อนพัฒนาแค่ไหนเรามาอยู่ในวัดในวาบางทีหลวงตาอยากให้มีเนาะแต่ก่อนก็ทําน่ะะสิ้นปีมาช่วงเดือนไหนเดือนกุมภาเดือนอะไรเนี่ย เขาจะเริ่มมีการปฏิบัติสําหรับเขาเก็บอารมณ์สําหรับไม่ครัวเราโดยเฉพาะอเมธีเขาเลี้ยงเมธีมานานเลี้ยงพระมานานเอา้าเข้ามาให้โอกาสมาเก็บอารมณ์ปฏิบัติทมเจ็ดวันสิบห้าวันออกไปไม่ครัวเราก็อยู่ได้แบบสบายๆนะล้างใจอย่บ่อยๆเนี่ ย, ย, ย, ยนะแต่ปีนี้ปีสปีมา น, นี้ไม่ได้ทํา ตั้งแต่พ่อธรรมมาตายไม่ค่อยได้เอาโยมก็ามาเก็บอารมณ์เท่าไหร่ mm hmm. แต่ก็ยังว่านะใจเนี่ยถ้าไม่ล้างมันที่วัดเราก็ล้างที่บ้านนะล้างบ่อยๆถ้ามีโอกาสถ้ามาอยู่ที่วัดมันก็ดีกว่าเหมือนเราอยู่วันนี้มามาเลี้ยงเลี้ยงพระเหมือนเลี้ยงโคน่ะแต่ส่วนหนึ่งก็ อ, อยากให้ได้มีโอกาสกินเนื้อโคอืมเลี้ยงพระศาสนาพระศาสนาดำรงอยู่ไหมดำรงอยู่ มีพระสงฆ์ขรแจมีประเพณีมีวัฒนธรร ม, มเมริเตนทตนั้งๆขณะเดียวกันเนี่ยเรากับไม่สามารถเข้าถึงสาระแก่นธรรมในาศาสนานี้ได้ลึกซึง้งนะมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่สามารถเข้าลึกซึง้งมันก็เป็นทุกข์นะถ้ามันไม่เกิดปัญญาเนี่ยคืออย่าง น, น้อยมาอยู่ที่นี่อยไม่อยากให้งมงายพูดง่ายๆอย่างต่ําเนี่ย เป็นพระเป็นชีอะไรก็ตามขอไม่ได้สภาวันทำเพาะมันไม่ได้ก็เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยงมงายก็หนาเป็นหว่วงละไอ้อความคิดแบบเนี้ยแั้วก็เป็นมาเป็นโลกกรำโลกเวีนอยู่ประมาณเนี้ยมันก็มีอย่างเดียวคือเอ้าคนไหนเป็นโรคอะไรไปรักษารักษาแล้วมาทำมันนี่ล้วนๆดอว่าเนี่ยถ้าแบกโรคแบกภัยเข้ามาโรคอุปทานเนี่ยที่จริงมันสามารถแก้ได้แต่มันจะแก้ยากสําหรับคนแก่ๆเนี่ยแก้ยากแต่ดีบอกยาก เวลาจะบอกให้มีมารยาทบอกอะไรเองแต่ก็ยากคือาพรามันหายากนะคนที่จะตั้งใจฝึกฝนอันนี้จริงจจังๆมันต้องกล้านะอันนี้มันจะมีทิฐิเยอะลองดูดินะที่คนแก่ๆไม่ว่าเพล่าชีพยมถ้าโลงตาไม่อยู่วัดในเวลากระทบกระทั่งไม่ถามมโนนี่โอ้ยมันเทียงคอเป็นเอ็นนะอ้างประสบการณ์ชีวิตจากโน้นจากนี้ขึ้นมาวุ่นวาย คือตัวตนเขาเยอะมากงั้นทำไงจึงจะรู้สึกโอ้คนนี้ตัวตนไม่มีเนาะสงบสงัดนะ่าสบายนะบวชมาสองปีสามปีหนึ่งปีอะไรประมาณนี้ก็ให้มันมีความเหมาะสมสมควรกับการฝึกฝนไม่ใช่เราฝึกเยอะๆกับงงง่งงงายหนักกว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วเปล่าเนียวัดอื่นหาจจะเป็นนะแต่ที่นี่มันมันเหมือนกับว่าเราต่ำต้อยแล้วเราช้ากว่าคนอื่นเขา คนอื่นปฏิบัติพัฒนาไปได้อืตัดตัวนี้ได้เล่าตัดตัวนี้ไม่ได้อืแต่จะพูดหน่อยก็เอาเริ่มจับผิดคนอื่นละเนี่ยคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะคนนั้นยังเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยจิตถ้ามันส่งออกนอกมันเพ่งไปไกลนะค่อยจับผิดคนโน้นคนนี้เพราะว่าเนี่ยมันจะพอกพูนอาสวะธรรมนะอาสวะธรรมคือกิเลสที่มันไหลออกมาเองน่ะอาสวะแปลว่าไหลออก คือพอกระทบอัเนี้ไหลออกมาแล้วพอเห็น น, นเนี้ยไหลออกมาแล้วคนพูดนี่มันชอบไหลออกมาเองโดยโดยที่เรายัางไม่ทันได้ตั้งใจที่จะรู้เนะบรกมันไม่เป็นมันไหลออกมาเองอะนะสิ่งที่มันไหลออกมาเองนั่แหละเขาเรียกว่าอาสวะนะพอมันไหลออกมาเองกลายเป็นจดิตเป็นนิสัยนะเป็นอนต้ตาตัวตนพวกมันก็เกิดขึ้นก็ลุง ท, กทาก็ไม่ได้ชังใครนะ ในวัดเนี่ยใครปฏิบัติดีก็ดีใครปฏิบัติไม่ดีก็คือหน้าที่ต้องสอนต้องบอกต้องกล่าวก็ทําะทําหน้าที่บอกกล่าวสอนเอาทํามันได้ครบมันดีขึ้ น, ข, นขึ้นดนะีจะให้เกียรติให้ช่างคนน้นคนนี้ทำไม่เป็นแต่ทําไงมันจริจะพัฒนาในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรคอยบอกบอกคอยอบรมพร่ำสอนเนี่ยคนนี้ไม่ดีเอาแก้ไขอาจจะแก้ไขอะไรใแบบ ปัญาตะระหนักอ้าวคุยกันส่วนตัวถามบอกบอกส่วนตัวเหมือนสอบประลมเมื่ อ, อไรอไนี่นี่ถ้าไม่ดีขึ้น่ะนะตาสวาบิยศสิกานในหลักกิกรณะสมถะช่นนะบางทีอ้าวพูดต่อหน้าคนอื่นอย่างแสดงต่อหน้าคนอื่นมันแสดงงามบัตเนี่ยทีนี้ก็ประจานประจานคือบอกกล่าวแบบรวมรวมนะ แก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ น, นิสสนาเนรเทศวันเราเรียกว่าเนรเทศเนรเทศนี้หมายว่าไม่ได้หมายความไลนีแต่ให้ไปอยู่ในที่ที่คิดว่าเขาจะช่วยเราได้อ้าวที่นี่ช่วยคุณไม่ได้ช่วยมานานแล้วคุณก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นนะฮะมันไม่ดีขึ้นเราก็ไปหาที่อื่นที่อยู่ที่คิดว่าจะช่วยเราออกจากอันนี้ได้ช่วยบอกช่วยแนะนําช่วยพร่ำสอนเนี่ย ที่ไหนมันดีแล้วก็ไปสำรวเองหาอะไรเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกในชีวิตี่มันสั้นนิดเดียวเองนอนเดี๋ยวตื่นแล้วนอนเดี๋ยวตื่นแล้วมันไม่มีอะไระมันอาจจะมีคนที่ช่วยเราให้ขยันขึ้นมีสติขึ้นสมาธิขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายก็คือตัวเราเองนั่นแหละเราไปหาใครก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาดูตัวเองแ่นั้นเองนั่นในราษานที่ผ่านมา ไม่ว่างงานนอกงานในเราเอง ก, ก็สามารถปฏิบัติได้ตามอัตภาพนะถ้างานข้างนอกลงตา ก, ก็คุมได้บอกกลาวได้นะจะนย์นุษผธรรมเนี่ยแต่นั้นข้างในมันต้องทำเอาเองนะนะเราทำเอาเองเราฝึกเองปฏิบัติเองแก้ไขเอาเ อ, าเองอารมณ์นะข้างในเนี่ยถ้าหากว่า ความเพียรย่อหย่อนไปตามการเวลายิ่งออกพรรษามาในความเพียรต่ำอะไรพวมาเนี่ยมันก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆนะความคิดมันยิ่งเยอะนะความคาดหวังอดีตอนาคตมันก็ยิ่งมากโรตานยังคิดเลย อ, อ๋พระที่พรรษาใน้น้อยโรตาก็ยังมีแนวความคิดว่าเอาพาไปด้วยลงตาไปนู่นไปเหนือหัวทาไปไปสอน เขาสอบนักธรรมก็อ่านหนังสือสอบซ้ากลุ่มที่สอบรรมาทำพระใหม่ๆก็เอ้าไปกับลวงตาเพื่อมันจะหึดขึ้นมาบ้างเพื่อมันต่ออายุขึ้นมาบ้างนะไปที่โน่นที่นี่คนไม่ได้สอบไปแต่บราระโอกาสประมานั้นทีนี้พระท่านไปสอบสี่วันเลเอาเ้าวเขามีแมชีพ่อวัดบางใหญโยมบ้างอะไรปรมาณนั้นคนทุกคนอยู่ที่นี้่า เหมือนตีนเหมือนมือลงตานี่แหละก็ไม่มีอะไรลงตาก็อยากได้นิ้วไหนมันสวยงามแล้วก็ฝึกเอาอยากได้ตีนไหนที่มันสามารถพาเดินได้แล้วก็ฝึกฝนเนอาเนะมันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอาตัวนี้ยังไม่ดีเนาะก็ซ่อมตัวไหนดีก็ใส่แหวนให้มันหน่อยนี้ะทุกคนมีคุณค่าโดยกันมดแม้ว่าคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดีก็ยังถือว่าเป็นอุปกรณ์การสอน หลวงตามาพูดถึงคนนั้นโอ้ความเพียนน้อยเนาะ่า น, นี้หลับบ่อยด้วยคนนั้นไม่ขยันก็ยังทําให้คนอื่นมีความละอายคนอื่นหึดหรือคนอื่นมีกําลังใจนะหรือสามารถเป็นตัวอย่างสอนคนอื่นได้อันไม่ดีเนี่ยเอาหลวงตาทำกับอันไม่ดียังไงอ่ะแต่ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ดีมันก็พัฒนาขึ้นไปคู่พอ ด, ด, ดีขึ้นเลยหลวงตาว่ะนั่นก็พัฒนาดีขึ้นกระตือหรือล้อนอันานั้นอันนี้ดีขึ้น ใจก็เหมือนหน้าก็มไม่บูดไม่บึ้งอะไรเหมือนเมื่อก่อนเท่าไรคือถ้าไม่อยู่กับความอดีตอนาคตเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีปัญหารลวงตาก็ไม่ได้บงังคับให้เราอยู่หรือเราไปนะอถ้าจะสึกสาราพิเศอะไรต่างก็ให้มันไปแต่เหมาะสมอยู่เหมาะสมไปเหมาะสมเมื่อเรามีครูบาอาจารย์อะไรอย่านเงี้งออย อ, อ, อ, า อ, าานะอย่าให้คิดเอาเองเอาอยู่ก็อยู่ถึงเวลาไปก็ไปประมาณนะั้นแต่ยิงมันเป็นความอยากกวนกวายอะไรมาก แล้วเรากลับมาหาหมูก่กณะก็เหมือนว่าเราไม่มีแผลออกไปข้างนอกโอ้ยตอนอยูนะ่เขาก็ไล่หนีเนาะไล่ศึกเนาะโอ้ยตอนอยู่นะกูก็กระเสือกสู้กูทุกตายประมาณเนี้ยนะไม่เป็นเราเก็บอาการเป็นสมมาปฏิบัติธรรมเวลาว่างๆเราเข้าม า, มาบางทีอารมณ์ซมว่าสึกอาลาพิเศษไปเจ็ดวันสิบวันขึ้มาขอทําความเพียรวัดเราเคยสร้างรวมกันมาเนาะอยู่ด้วยกันมาเป็นแหล่งฝึกฝนผมเพาะแล้วก็ปฏิบัติธรรม เข็ดบ้านกลับไปหาการทางงานทำมันไม่แน่ชีวิตเนี่ยวันหนึ่งเป็นแบบหนึ่งวันหนึ่งเป็นแบบหนึ่งไปทุดงนี่ลงตาก็อยากให้ไปทุกคนอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าไปหาประสบการณ์ไปหาอะไรมั่งเนะ่ยชีวิตเนี่ยจมอยู่กับความคิดหลายก็ไม่ไหวนะบางทีวันอาทิตย์ชีวิตตายบางทีก็เหมือนคนไปนอกหน่อยแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลินว่าแต่ว่าอาถ้ากลับมาแล้วก็ ได้ดูเลยรักษาเข้าหาวศหารมออะไรก็อะไกับไม่เจียมสังขารอะนั่นก็นะก็ดูค่ะต้องคือว่าคนอยากดับทุกข์ยิ่งไปสนใจเรื่องคนอื่นเ น, ะนี่ยบางทีลวงตาว่าคนไหนงโ ง, ง, ง่จิตไม่ฉลาดเท่าไหร่พาไปคนไหนพอฉลาดแล้วพอทําความเพียนได้เลย่าไปอยากกับเขาเดินเจงโกมปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในวัดคนไม่อยู่ยิ่งเราได้ทาความเปลี่ยนส่วนตัวเพราะยันทม มันก็จะดิ่ง พ, อพ่อปูนสติปัญญาขึ้นมาได้เหมือนเราตั้งใจจะเราว่ า, าทําไมมาเพื่อปฏิบททัติธรรมเอา้าแต่พอเขาไปโน่นไปนี่อยากแหกไปกับเขาแล้วเนะี่ยเห็นไหมเนะี่ะมันเปลี่ยนไปเนะี่ยมันมีตัวตนโอ๊ยไม่จำเป็นให้ความซ้ากันกับกูคนนั้นอย่างเป็นเนี่ยโน่คนนี้เอาอีกแล้วเนี่ยคือจิตมันเป็นอย่างนั้นเน่ยมันไม่เป็นว่อาอยังไงก็ได้มไม่คิดนะมีความน้อยเนื้อทำใจมีอนรมณ์อันนี้ น, น, นขึ้นมาะ มันเป็นบทเรียนสโลสอนคนที่ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่แล้วก็พาไปอย่างขรรวาทญาติโยมเหนียวไม่มีโอกาสอะไรปฏิบัติทำไปเดินดวงเดินป่าอะไรก็ไม่ค่อยไปืใอ ว, วานนี้นะไม่ใช่ไปหาความสนุกนั่นก็อยากให้เราทั้งหลายหมั่นขยันนะแต่ละคนคนดีก็ทําความดีรักษาความดีต่อไปคนที่ยังไม่ดีก็ อ, อย่าไปดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันอย่าไปเกลียดชังกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งบ่กาวกัน เพิ่มเติมสติปัญญาขึ้นมาอช่วยกันเนี่ะช่วยจูงขึ้นคนตกอยู่ในหนองในน้ําตกจมอยู่ในนิวรณ์เขาบอกกันคนที่ถูกบอกก็จะไปงุนงิดนะย่าไปติดอารมณ์จะไปทุกเปย์อนะไรอย่าเงี้ยเราเห็นพระหลายองค์มาบอกแล้วโอ้ติดอารมณ์คนนั้นเดี๋ยวติดอารมณ์คนนี้โอมคนที่มันชอบทําให้คนติดอารมณ์หลือเกินเนาะหรือวนะนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะติดอารมณ์คนช่างเถอะหรือวนะนั่นแต่หลายๆคนก็ ย, ยินดีภูมิใจ บางคนยังเอ้าเอาสองคนมาแสดงอบับดับต่อกันก็ยังมีมก็เริ่มทำเป็นนะอนุนัน น, นี่ไปเขาจะไม่มานคลายอ่ะชีวิตมันอยู่แค่นี้เองมันไม่มีอะไรอย่าไปโกรธไปเกลียดไปน่นไปนี่มันไม่มีอะไรถ้าเราทำใจซาถ้าสมมว่าเราไหวคคค้คนอื่นเป็นขอเขมาคนอื่นขอโทษขอนนั้นเป็นมันเหมือนเราเอาชนะใจตัวเราเองนะเรากาลังต่อสู้กับใจเรานะไม่ได้ต่อสู้กับใครล้วไม่ได้คิดว่าเราขายหน้าขายอะไรไม่ เราไม่มีหน้าเราอยากให้เห็นหน้าอีกหน้าหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเราก็คือหน้าที่ไม่มีตัวตนหน้าที่สงบสงัดหน้าที่ปล่อยหน้าที่วางหน้าที่ยอมเป็นยอมเป็นจะเย็นได้ถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้หน้าอันเนี้ยเราอยากให้คนเห็นหน้าอนิจจังหน้าทุกข์ขังหน้าอนาตาแต่ส่วนมากมันมีแต่หน้าอัตตาะความทุกข์มันก็เลยเยอะชีวิตเนี่ย ลูกตากระพุมใจนะทุกคนนั่นแหละปฏิบัติธรรมมาไม่ว่าพระไม่ว่าชีอะไรไม่ว่าญาติโยมทั้งหลายนะปีนี้รู้สึกว่าเออมันสบายสบายสบายสบายไม่ได้ยึดอะไรมากมายดูท่านทั้งหลายก็เหมือนแบบนั้นนะก็พออยู่ได้จะว่าก็พอจะมองออกนะใครเป็นอะไรยังไงนะอนะเวลาที่เหลือนี่ก็อาพัฒนานะพัฒนาไปบางคนถ้าสมมติว่ายังมีความเพียรอยู่ก็อา้า ช่วงมาจากทุดงโดงนะงานเชียงใหม่กับวันที่ย4 2 5ิบสี่ยี่ิบห้ากนะ็ไเนเราก็อาจจนะย2 2 3ิบสองยิบสามยี่สิบเลยประมาณนี้ขึ้นไปทำความเปลี่ยนที่โน่นนะแล้วเวลาหลวงตาไปสนามโน่นเั่นนี่ก็ตามไปปฏิบัติธรรมหรือจะทำความเปลี่ยนอยู่ส่วนตัวก็ได้แต่ว่า เวลามันติดอารมณ์เนี่ยสิ่งที่ควรทำคือเข้าหากะยาณมิตเนี่ยอันนี้ทิ้งไม่ไดนะ้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยให้เคารพเคารพเจ้าของสถานที่นะเคารพสถานที่เคารพเจ้าของสถานที่ถ้าเรามีตัวตนมากเอ้ยเราเคยปฏิบัติธรรมมาจากกุบาจารย์นี่เลยนี่มันจะยากลำบากนะต้องรู้จักอะไรควรอะไรเหมาะอะไรสมแล้วพฤติกรรมทางสังคม ศีลทำจริยธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็พอได้จะเรื่องข้างในเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นนะเราสังเกตดูนะคนไหนไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเนี่ยปฏิบัติทำก็ง่ายแต่คนไหนมีอัตตามีตัวมีตนปฏิบัติก็อยู่ไม่นานเราตรงนั้นกไนนนนน็ไม่นานนี่หนีแล้วอย่างนี้ไม่นานหนีแล้วอันหนีไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสำนักเขาชั่วน ะ, นะเราอาจจะไม่ดีก็ได้หรือไม่ได้หมายความว่าเราดีเกินเขานะอันนั้นนะ คือมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าเราดีหรือไม่ได้เราสังเกต ด, ดูเป็นคนเป็นคนเป็นขณะเป็นขณนนะไะบางทีมันเป็นภาวะของการติดอารมณ์ความทุกข์ความเหนื่อยนะืดเรียนรู้จากธรรมะเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในจะช่วยชีวิตเราได้อนุโมทนาณ์นะ